อาอาชีพนักบวชอะย่อมได้เปรียบกับพวกผมเยอะเพราะว่ามีปาติโมกสังวรปาติโมกขะสังวรศีน่ะการที่มีปาติโมกสังขะสังวรศีเนี่ยหมายความว่ามีข้อบังคับมีเรื่องที่จะให้ผู้ที่เข้าไปสมาทานปาติโมกสังวรศีเนี่ย ในลักษณะที่เป็นอัตตะสัมมาปณิธิเป็นข้อข้อข้อข้อไปเช่นเห็นเห็นอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ตั้งจิตไว้ชอบได้เยอะเพราะไม่ตังไว้ก็ผิดผิดธรรมใช่ไหมอ่าภาษาสดาเราจัดตำหนินะเขา อ, อาศัยพื้นฐานจากศรัทธาในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคนั้นอะ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้มีวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้เป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝุกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยศีลสมาธิและปัญญาวิมุตติมิมุตติญาณทัศน์พระองค์นั้นเป็นผู้ละคลาจากบาปอกุศลชนิด พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่แสดงประกาศจำแนกให้เหล่าสัตว์เนี่ยสา ม, มารถรู้ได้และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามาราโลกพรหมโลกพร้อมทั้งหมู่สัตว์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วส่งสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์ นะพร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะเพราะนั้นเขามีศรัทธาอย่างนี้เห็นว่าการเป็นคาราวาสขับแคบนะเห <c oughs> ็นว่าปาติโมกสปาติโมกขะสงวรศีเนี่ย <c oughs> เหมือนสูตรที่พระพูยิภาคทรงบัญญัติขึ้นเพราะว่าปาติโมกนี้เนี่ย มีเฉพาะเมื่อพระผู้ทธภาคสงุบัติขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นปาติโมกเขาจึงเรียกว่าอธิศีลสิกขาครับจึงชื่อว่าเป็นอธิศีลสิกขาเพราะวาสิกขาเนี่ยนะถ้าไม่มีคําว่าอธิข้างหน้านี่นะคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี่นะต้องใส่อธิไปข้างหน้านมีความหมายเดี๋ยวให้ท่านอธิบายนะเอาเป็นว่าปาติโมกขะสังวรศีเนี่ยเป็นอธิศีล นะเมื่อเป็นอดีตศีเนี่ยเปรียบเหมือนว่าพระองค์ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติเป็นสูตรขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาชีพนักบวชอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ปฏิบัติแล้วสะดวกแก่การตั้งจิตไว้ชอบเพะะ้เาเรียกว่าพูดสำนวนหนึ่งนะก็เหมือนกับหมอผู้ฉลาดเขาห้ามของแสลง เ, ลเพราะฉะนั้นบวช ด, ดีกว่าไม่บวชผมผมเห็นเลยนะใครมาบอกว่า บวชไม่ดีผมบวช ด, ดีกว่านะมีโอกาสดีกว่าแต่ทําได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าบวช ด, ดีกว่ามีโอกาสเอาสังมาขาดให้มันได้ <c oughs> แปลว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดูดสังที่ขาดเนี่ยทำได้ไม่ยากนะนั่นแหละท <c oughs> ีนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสมาทานนั่นแหละเป็นผู้เห็นถึงพร้อมด้วยปาติโมกใช่ไหมถึงพร้อมด้วยปาติโมก มีอ า, อาจาระและศีลท่านยังไม่อธิบายครับนั่นแหละทำไมนนปาติโมกจึงว่าอาที่ศีล น, นั่นแหละเขากันนะพระองค์ว่าปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นอาที่ศีลและศิขาถ้าหากว่าศีลธรรมดาศีลห้าศีลแปดเขาเรียกว่าศีลถ้าปาติโมก เขาเรียกว่าอาธิศีนนะถ้าชาญจิตทั่วไปของนอกาศาสนาเขาเรียกว่าจิตจิตตสิกขาแต่ถ้าของพระผู้มีพระภาคก็เรื่องจิตอีกนั่นแหละจิตชนิดนั้นเป็นบาทของวิปัสนาเขาเลยเรียกว่าอาธิจิตตสิกขาปัญญาทั่วไปนอกาศาสนาก็รู้เรื่องกรรมผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเขาก็รู้แต่ความรู้เหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความ หลุดพ้นพะฉะนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจึงเป็นอาธิปัญญาศิกขาด้วยแหละฉะนั้นศิกขาเหล่านี้เมื่อบุคคลสมาทานตั้งใจมีฉันทะที่จะประพฤติแล้วก็เจริญพอกพูนมากๆนะพรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็นเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มีศิขาเป็นอนิสงส์ นะมีมีอะไรเป็นเป็นแก่นมีอรหัตผลเป็นแก่นมีอะไรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่อธิปไตยสูตรท่านกล่าวไว้อย่างนั้นงนั้นพระมรรจันของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงบัญญัติ น, นนะต้องเป็นไปเพื่อสังวรนะสังวระสังวรห้าเป็นไปเพื่อปหานะคือปหานะห้า เป็นไปเพื่อนิโรธะเป็นไปเพื่อวิราคะสัมโพธายะและนิพพานายะเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพพานนี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในแหละนั้นเราจะต้องมีการมาศึกษาการปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นต้องเป็นไปตามลําดับเรียกว่าอนุปุปภศึกขาอารหั ต, ตผลไม่ใช่จะเกิดโดยลอยลอยนะ อ ย, อยู่ฟลุกโหได้อรหัตไม่มีทางต่อไปนะอนุบุพัฒกิริยาการปฏิบัติตามลาดับนั้นได้หมายถึงทุดงทั้งสิบสาอย่างนะซึ่งทุดงจะเป็นทุดงนั้นเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อขัดเกลาเป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเพื่อปารจกความเพียรอันในเรื่องของทุดงนั้นยังไม่กล่าวถึงณที่นี้ นี่เป็นอนุปภาพปฏิปทาเป็นปฏิปทาตามลำดับปฏิปทาตามลำดับนั้นได้แก่อนุปัสรนาทั้งเจ็ดก็เป็นปฏิปทาตามลำดับอยู่ๆฉันจะเอานิพพิทานุปสรนาเลยไม่ได้จะเอาวิราคานิุปัสรนานิโรธานุปัสรนาปฏินิสักานุปัสรนาเลยไปไปพรวดพลาดไปเอาสูงๆเลยไม่ได้นะ ก็เหมือนกันขอเสมอของนำมานะาเธอเธอร่ามาไงลูกเข้าไปในมชอบอกขอมาทำเป็นยาเอกหน่อยเขาให้ไหมบอกคุณกลับไปเรียนท่านต้นต้นมากกว่าน <c> ั <oughs> นั่นแหละเมืมีกี้ท่านพูดถึงทุ ด, ดงนะผมไม่อยากให้ผ่านไปผมอยากผมสงสัยนะว่าทุ ด, ดงนี่นะสําหรับคารวาสเนี่ยนะมีมีบ้างได้ไหมมีเนพามีหลายข้อมากเลยนะเช่นมือเดียวอ่ s. <S อนะทุดดงมือเดียว อาสนะเดียวภาชนะเดียวอาสนะเดียวหมายความไงก็คือถ้านั่งทานเนี่ยถ้าทานลุกแล้วเลิกเลยสําหรับอาหารมื้อนั้นวันนั้นนั่นแหละแล้วก็ภาชนะเดียวเลยอืแล้วต่อไปอีกก็มีมประเภทอ่ทวดงประเภทถือผ้าสามผือนอย่างไงยใช้ผ้าสามผืนไม่ทราบว่าคารวะปฏิบัติได้หรือเปล่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างสมาทานไม่นอนไม่ใช้อิรยาบถนอนอ่ะนะ อันนี้ก็เป็นธุดงซึ่งคารวะก็สา ม, มารถทำได้นะแสดง<ต lawsuit>ว่ามันเป็นเรื่องการขัดเกลาถูกไหมส่วนพระธุดง น, น, นั้นเป็นไปเพื่อการขัดเกลาไม่ใช่ <le> พระวินยัยที่พระองค์ทรงบัญญัติแต่เป็นวัดซึ่งบุคคลผู้เห็นโทษของกิเลสคือคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ปรับสมาทานอันนี้กุศลจิตเกิดไม่ต่อเนื่องไม่หนาแน่นและเพราะเพราะบางอย่างนี่มันเป็นบานคลุกคลีกันมากเกินไป อย่างสมมุติว่าไปอยู่ในป่าทุดงข้ออยู่ป่าเนี่ยก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการคลุกคลีนั่นแหละสมมุติว่าก็บอกว่ายอย่างน้อยที่สุดต้องห่างหมู่บ้าน1กิโลเมตรถ้าทุดงประเภทอยู่ป่านะอารัน ญ, ญิกะทุดงเนี่ยอย่างน้อย1กิโลเมตรก็แสดงว่าเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการพูดการคุยการคลุกคลีการเกี่ยวข้องในกิจที่ไม่เหมาะสมเป็นกิจที่ไม่ควรอะไงแล้วก็ทุดงเกี่ยวกับการใช้ผ้าทุดงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทุดงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย แล้วก็ทโดมข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญภาวนามาและเอใช้ผ้านี่น่าสนใจนะก็บอกว่าตามสมควรแก่ฐานนะนางวิสาขานี่มีเครื่องประดับไปไหนปกติเลยนะงานกระจกกระจอกสายแสนหนึ่งเครื่องประดับนะในตัวเนี่ยแสนหนึ่งถ้ามีงานพิเศษเนี่ยเครื่องประดับเก้าโกรดนะราคาเก้าโกรดเนี่ยนะเป็นเพชรเป็นพลอยนั้นก็บอกว่า แต่จะไปห้ามบอกอย่าไปแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็นึกถึงในคำภีร์ก็นางวิสาขาเนี่ยใช้เครื่องประดับก้าวโคตรท่านการแต่งตัวถ้าเหมาะสมกับการเป็นอยู่เหมาะสมกับฐานะการเป็นอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือพระองค์ไม่ได้ไปเจ้ากี้เจ้าการเกี่ยวกับค า, ารวะว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์จะกล่าวถึงเรื่องว่านะกายกรรมวจีกรรมอาชีพเนี่ยดีไหมเอาตรงนั้นเป็นประมาณเป็นป่าเป็นอากุศลไหมอะไรการแต่งตัวจะใช้เสื้อผ้ายังไงก็มีปัญญา ทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้เท่าไว่าอะไรเพราะเขามีอัธยาศัยที่จะติดเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาเป็นพผะานาคามีเมื่อไรเขาก็ไม่เอาละแต่ถ้ายังไม่เป็นผ้อนาคามีไปจุนจ้านเพ่มมากนักมา่อไหี่ <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะเรื่องของศีลศีลที่เรียกว่าปาติโมกตต่อไปก็ต่อด้วยอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกเลน้นกายใจ แปลว่าสำรวมชาวนะทั้งหมดอ่ะไม่ให้มันเป็นบาปทํายังไงชาวนะจึงไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าไม่มีอินทรีย์สังวร น, นะปาติโมกสังวร อ, อยากคิดว่าจะเหลือเลยสมมุติถ้าปล่อยใจให้มันเป็นบาปขนาดที่เอาปาติโมกสังวรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลเป็นกุศลนะ ถ้าไปปล่อยโลภะให้มันเกิดทางหูมากๆนั่งฟังอะไรทุกอย่างให้โลภะมันเกิดถามว่าปาติโมกสังวรมีไหมขนาดนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรที่พระองค์ทรงสแสดงน้นจึงอุปการะต่อปาติโมกสังวรมากนั่นแหละฉะนั้นปาติโมกสังวรนั้นจะบริบูรณ์เพียบพร้อมหรือจะมั่นคงได้ก็ต้องอาศัยอินทรีย์สังวรการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้เป็นบาปเป็นอคุศล แต่ในพระวินัยของของพระผู้มีพระภาคนั้นนะ่ะมีเรื่องการสังวรอยู่นั้นเสร็จหมดแล้วครับแต่ก็ที่เรียกว่าจำแนกไงจำแนกให้พิจารณาขึ้นเซนทรายส่วนพวกผมไม่ค่อยเมีอสมมติว่าสังวรนี่นะครับเราเราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ในการสังวรเนี่ยเพื่อที่จะทำไม่ให้จิตเนี่ยตกไปในอกุศลในในอภิชาในพยาบาท หรือในมิจฉาทิถิอะไรนี่นะครับเจอตอนนี้ผมตั้งใจจะสังวรละประการที่หนึ่งเนี่ยถ้าผมสังวรจักขุนศีสังวรจนทันนะทางตานเนี่ยถ้าสิ่งใดไม่ควรเห็นเห็นแล้วเกิดโลภก็ไม่ควรเห็นเจ็ดพาใช่นะครับถูกไหมครับตอนนี้ถ้ามันจำเป็นต้องเห็นทำยังไงครับเ <c oughs> พิ่งตั้งสติไว้ พึงตั้งสติยังไงครับเจบา้ามอนก็บอกว่านําสูตรพระอนุนว่าได้ไหม ม, มีมีสูตรหนึ่งที่พระอนุ์ถามพระผู้มีพระภาคก่อนจะดับขันปรินิพพานว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญภิกษุจะพึงปฏิบัติอย่างไรในผู้หญิง อ, อย่าเห็นอ น, นุนบอกเลยนะหนึ่งอย่าเห็นถ้าจําเป็นต้องเห็นแล้วพระเจ้าข่าอย่าพูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดทำยังไงก็บอกว่าพึงตั้งสติไว้อธิบายว่าตั้งยังไง ต้องทําใจนะว่าสมุนดาถ้าเป็นนะเขาคราวป้ากับป้าทําใจไว้เลยนะหีตั้งหีรีโอตปาปะเขาป้านะเขาน้าเขาอาเขาพี่เขาน้องเขาลูกเขาหลานก็อะไรก็ตั้งสติไว้อย่างนั้นเลยเขาเรียกว่าตั้งหีรีโอตปาปะขึ้นก่อนแล้วก็เนี่ยเป็นยอดของโยนิโสมนัสิการล่ะนะถูกไหมครับเช่นี่แหละต้องตั้งไว้ถูกอย่างนี้ก่นอนแล้วก็ น, <ะ S 1> นี่ น, นเบื้องต้นนะถ้าสามารถตั้งสติให้ซึ่งไปกันนั้นอีกเช่น สติประฐานสี่อ๋อแน่นอนครับอ่ <c oughs> ก็นี่ขันห้าเหมือนนเธออ่า <c oughs> เห็นสีกาก็นี่ขันห้านี่นรูปรขันเนี่ยใช่ไหมครับรูปารมรูปารมมีสมุทฐานสี่มีสมุทฐานสี่กรรมจิตอุตุอาหารานี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อให้ไข้ครัวไปทางนี้ใช่ไหมครับเช่นนั้แต่บอกโอ้นี่เธอนี่ทํากรรมดีจังเลยนะหน้าจึงงามเนี่ย ทั้งบอลไหมก็คือในคำเดียวกันนั้นน่ะแล้วแต่สภาพจิตในขณะนั้นนะอาจจะมองไปในลักษณะที่ว่าอ่าบุคคลมีผิวพันธุ์ดีเพราะปัจจัยคือไม่โกรธนะถ้าใส่ไปในลักษณะเรื่องของความเข้าใจในเรื่องกรรมสภาพจิตในขณะนั้นอาจจะไม่เป็นโลภก็ได้แต่ในคำเดียวกันนั้นจะเอาพระธรรมมาอิงๆท่าหน่อยนะ mm. เพื่อที่จะได้โลภคลอๆได้นานๆก็อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใด สุจริตสามเป็นพื้นเป็นอาหารของสติปฐานสี่อันเราต้องมีความสุดจริตใจค่อนข้างสูงมากในการมองอะไรแต่ละอย่างก็บอกว่าไม่ได้มองด้วยอัคติมองด้วยความสุจริตใจสมมุติว่าถ้าเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นทางอินทางตาหูจมูกเลนกายใจทำยังไงอ่ะสมมุติถ้าเห็นแล้วโลภะเกิดเลยบอกว่าเทอ า, อาธิฐานสุดทิตั้งใจใหม่นะว่าจะไม่ปล่อยให้ความคิดแบบนิ่มเกิดอีก อนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าพวกผมเนี่ยเป็นคาราวาสอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้ามองแล้วอกุศลจิตที่มันห ย, ยาบหยาบมันหนักหนักนะอย่าให้มันมีก็ดูมันจะพอแล้วนะครับน<บ>จะทําให้ดุดสังขัดนี่ถ้าจะไม่ต้องทำมาหากินเลยนะคือในเรื่องตรงนี้เนี่ย<ม>ของธรรมากําลังคิดในลักษณะว่ า, าการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยคําสอนกล่าวไว้อย่างไร เสร็จแล้วการ ป, ประยุกต์มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือว่าในขณะแห่งชีวิตก็สุดแท้แต่สติปัญญาของท่านผู้ใดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยงแต่ว่าในชั้นต้นถ้าเรากล่าวทำเราก็ควรกล่าวให้ให้สมบูรณ์ไว้ก่อนส่วนจะปฏิบัติได้ตามเท่าไหรก่ก็สุดแท้แต่กำลังเพราะเพราะธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา เป็นปฏิบัติพระผมีพระภาคเจ้าตามสมควรแก่ธรรมเจริญพรเรียกว่าปฏิบัติให้สมควรให้เหมาะสมคิดเอากันแล้วการถ้าคารวะไฟไม่ไหม้บนศีรษะก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันไม่เหมือนกันครับแต่ทนได้นะตอนนี้ถ้าเกิดเจอบุคคลที่มันทําให้เกิดโทสะแล้วครับเจนทญพก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็ลักษณะคล้ายคลึงกันคือไม่เจอซะดีกว่าเพราะถ้าเราถ้หลีกได้หลีกถ้าเราจะเจริญกุศลธรรมบางอย่างนะหลีกเลี่ยง บางอย่างนี่พระองค์บอกให้หลีกเลี่ยงก่อนเลยนะเพรา ะ, ะ น, นงคละสูตรเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะเสวนาจะพารานังปัิตานันจะเสวนาหลีกเลี่ยงจากคนผ่านนะคนที่มีกายกรรมที่ไม่ดีวัจจิกรรมที่ไม่ดีมโนกรรมที่ไม่ดีเป็นไปกับบาปกับอกุศลในอกิติชาดกก็บอกว่าห่างไล้เป็นร้อยโยชน์ดินั่นแหะห่างเป็นพันพันกิโลอัดแจวนั่นแหละเพราะว่า ภัยทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนพาลความชั่วทุกชนิดเกิดขึ้นจากคนพาลถ้านะพูดแบบนะอุปัถวะเกิดขึ้นจากคนพาลเนี่ยถ้าใช้สับบาลี อ, อุปัถวะเพราะหน่อยภาษาไทยว่าอุบาทเกิดขึ้นจากคนพาลนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงจากคนพาล น, นี้เอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญสองก็ปันติตานั้นจะเสวนา แล้วก็ปูชาจะปูชนียานะังถ้ามงคลเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแล้วมงคลข้อเห็นอริยาาสัจสี่เนี่ยนะการพิจารณาเรื่องขันธาตุอายตนะเนี่ยคือเรื่องอริยสัจสี่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเรามงคลต้นๆเราไม่มั่นคงมงคลที่ยี่สิบสามสิบไปแล้วเนี่ยจะไม่มั่นคงเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็ทํายังไงให้มันครบก็ครบน้อยๆหน่อย คือบาปก็ให้มันลดลดหน่อยใช่ไหมก็คือสมมุติเหมือนกับคนเรารู้แล้วว่านี่ยาพิษเรารู้ว่าเราต้องกินยาพิษหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินน้อยๆก็กินให้มันน้อยๆหน่อย <ๆ S 1> น, น, นะคือคือบาปก็บาปให้น้อยๆหน่อยบางแห่งที่จะมากล่าวธรรมะนั้นตั้งใจไว้เลยนะให้เขาบาปอย่าได้บริสุทธิ์นะให้มีบุญไปแสกแสกบ้างในชีวิตของเขา ซึ่งบางคนเนี่ยเกิดมาใช้ชีวิตเป็นห ล, ล, ลายสิบปีสภาพจิตของเขาเนี่ยเป็นใบกับบาปกับอกุศลมากมายมหาศาลอันเขาไม่เคยเกิดกุศลจิตที่มันต่อเนื่องเลยชีวิตของเขาเนี่ยนะไม่แพ้ไม่เคยสมาทานศีลอยไม่รู้ศีลเป็นยังไงทานเนี่ก็น า, นานจะให้สักครั้งหนึ่งทีนี้ เ, เราจะพูดธรรมะหมวดไหนให้เขากุศลละจิตเกิดสักชั่วโมงหนึ่งอพอลนะ ตั้งไว้แค่นี้พอไม่ตั้งเลยกว่านั้นว่าเขาจะต้องเอาไปปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนังไม่เอาเพราะนั้นธรรมะตรงนี้ก็เหมือนกันพูดยังไงให้มีความเข้าใจในพระธรรมบทนี้ถ้าเข้าใจมากคนเหล่านั้นจะไปปฏิบัติเองถ้าเขารู้อา น, นิสงส์ของสิ่งนั้นๆเราไม่ให้เขาปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติถ้ายิ่งเข้าใจในธรรมะหมวดนั้นนเท่าภาษาทีุตรด้วยแล้วยิ่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นทำยังไงที่อัตตะสมาปณิธิว่า รธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เป็นธรรมังสารนังขะฉ า, ามินะธรรมะที่สมบูรณ์ที่สุดตามคําสอนท่านกล่าวไว้อย่างไรเสร็จแล้วเราจะเลือกปฏิบัติได้ขนาดไหนตามสมควรแก่กําลังของเราเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดของพระผู้มีพระภาพอุปมาเหมือนกับข้าวเปลือกกองโตๆใหญ่ๆ ใ, ใครมีภาชนะเอามาถ้วยเดียวอะ่ะเอาเอาไปถ้วยเดียวกันแล้วกันใครมีกระบอกมาก็เอาไปกระบอกใครมีรถก็ขนเอาไป ธรรมะของพระองค์เนี่ยจะไม่มีหมดไม่มีสิ้นสุดชั้นใดก็ดีถ้าหากว่าเราในฐานะถ้าอ่านถ้าพูดกล่าวธรรมเราจะควรกล่าวตามนั่นแหละควรกล่าวตามถ้ากล่าวถูกธรรมะเหล่านี้เป็นของพระผู้มีพระภาคกล่าวผิดเนี่ยของเรานะอะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พระองค์บาจาของพระองค์ไม่มีผิดพลาดแต่ถ้าความผิดนั้นๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของพระผู้มีพระภาคแต่เป็นของผู้แสดงเอง พูดตรงๆก็คือของผ้าสมบัติอ่ะนั่นแหละถ้าบาปนะของของของธารมะทีนี้เมื่อเราต้องรับผิดชอบเราทํายังไงจะไม่ต้องกล่าวตูอ่าเพราะอย่างหนึ่งการที่เรากล่าวธรรมะเราก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ในหัวข้อธรรมเทศนาใหม่นั่นแหละอย่างเช่นถ้าหากว่าธรรมะไหนที่เราปฏิบัติไม่ได้เราจะไม่พูดถึงถ้าเราตั้งจิตว่าอย่างนี้ก็ไม่ชอบนะักเพราะอะไรเพราะมรรคผลนิพพานเนี่ยเราเกิดมาไม่เคยรู้แม้แต่ความฝันเลย มันถ้าไม่กล่าวถึงเลยมันก็ชื่อว่ากล่าวธรรมของพระผู้มีพระภาคไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราเกล่าวตามพระองค์ท่านและอย่างหนึ่งการกล่าวสมบูรณ์นั้นผู้กล่าวถึงไม่ได้เป็นผ้าเรียเจ้าแต่ถ้ากล่าวได้สมบูรณ์ผู้ฟังเข้าตั้งอัตตสมาปณิที่หรือเรียกว่ามีโยนิโสมนัสิการะดีเขาอาจจะตรัสรู้ธรรมก่อนผู้สแสดงก็ได้ พระโปติละนั้นท่านเป็นพระผู้ทรงพระไตบิดกในพระผู้มีพระภาคมาหลายพระองค์ด้วยกันท่านไม่ได้เป็นพระอริยะอะไรเลยแต่ลูกศิษย์บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นหมื่นนั่นแหละพระมหาศีวะก็เหมือนกันพระพรหลายองค์มากเลยสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้บรรลุอะไรทักอย่างแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์เยอะแยะเลยเพราะในขณะเดียวกันนั้นผู้กล่าวก็ควรกล่าวตามถ้าหากว่าผู้กล่าวเมื่อกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตามถ้าได้ปัจจัยสี่จาก ผูท้ที่ที่มารับคำฟังเขาเรียกว่ากล่าวให้เขาฟังเพื่อเอาปัจจัยสี่เขาเรียกว่ารับจ้างเลี้ยงโคว่าไงคนฟังนี้เขาเอาไปปฏิบัติตามได้ดิดดีดีคนพูดนี้ก็รับเขาเรียกว่ารับค่าจ้างรายวันน่ะนะเขาเรียกว่าปัจจัยสี่จีวอนอาหา ร, รบินดบาบเสนาธนาะยูยารักษาโรคบ้างอย่านี้เรียกว่าค่าจ้างนั่นแหละถ้าหากว่าแสดงธรรมเพื่อต้องการสิ่งนี้เรียกว่าค่าจ้างหรือเอาเขาเรียกว่า เอาแก่นจันทร์มาเล็กเปรียงเน่าถ้าตั้งจิตไว้ เ, เพื่อเพื <P> ่อพูดกล่าวเพื่อการค้าอันถ้าหากว่าเราต้องตั้งจิตให้ชอบว่าเรากล่าวตามแล้วก็เป็นการแสวงบุญในตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันอันในขณะเดียวกันถ้าเราพูดแล้วไม่ใช่โอ้วันนี้ว่าอย่างงี้เดี๋ยวกันหลังเอาใหม่นะอย่างนี้ไม่ดีควรจะกล่าวให้ให้ให้ดีไปเลยนั่นแหละทีนี้ต่อไปนะ กล่าวถึงข้อปฏิบัติตามลำดับในคณกะโมคคลานสูตรชั้นต้นก็คือปาติโมกสังวรข้อสองก็คืออินซีสังวรข้อต่อไปดูก่อนพราหมณ์ในเมื่อภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินซีทั้งหลายได้แตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนภิกษุมาเธอเธอจงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ นี่ถ้าเป็นเกณฑข้อปฏิบัติของภิกษุนะคือพึงบริโภคอาหารพิจารณาโดยแยกคายว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อจะ ม, วมัวเมาไม่ใช่เพื่อจะประดับไม่ใช่เพื่อจะตกแต่งร่างกายบริโภคเพียงเพื่อร่างกายดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อบรรเทาความลำบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เท่านั้นด้วยอุบายนี้เราจะป้องกันเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและความเป็นไปแห่งชีวิตความไม่มีโทษความอยู่สบายจะมีแก่เรานั่นแหละันก็คือตรงนี้หมายถึงสาทธะสัมปชัญญะในขณะที่บริโภคอาหารนั่นเองใช่ถ้าได้สาทธะสัมปชัญญะสัมปชัญญะข้อต่อไปยากไหม นะนะบริโภคเพื่ออะไรประโยชน์ของโภชนาหารมีแล้วล่ะอันนี้เครียกว่าได้สาธากะต่อไปบริโภคแล้วกุศลจิตเกิดไหมนี้เรียกว่าส ป, ปายะน ะ, จะเจริญกรรมาฐานด้วยได้ไหมขณะที่บริโภคอันนั้นเป็นโคจระส ป, ปายะใช่ไหมฟันล่างเหมือนครกฟันบนเหมือนซากลิ้นเหมือนกับมือที่ปัดไปปัดมาใช่ไหม อาหารที่มาอยู่ในปากอาหารก็ไม่รู้ว่าอยู่ในปากปากก็ไม่รู้ว่าเคี้ยวอาหารใช่หแล้วก็กลืนลงไปทีนี้กลืนลงไปก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปกลืนใช่ก็พิจารณาโดยความเป็นธาตุเรื่องนี้ก็เป็นอสามโมหะสัมปชัญญานะ